ก็มีกันบ้านแบบที่ไม่ได้เตรียมแล้วก็แบบที่เตรียมมาส่งครับก็เอาแบบที่ไม่ได้เตรียมก่อนก็ฟุ้งซ่านเมื่อวานคุยเยอะเหมือนกันฟุ้งซ่านแล้วก็แบบว่าเมื่อเช้าก็ฟุง้งเมื่อเช้าก็ฟุ้งฟ่านแต่ว่ า, อาพอ <20 S 1> เข้าวดูแล้วไม่ต้องลงรายละเอียดของการปฏิบัตินะครับที่พอวนาตอนนี้ใช้ได้ละใจเราตื่นขึ้นมาละหน้าที่เราก็มีแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียว คืออย่างตอนเข้ามาในวัดจะรู้สึกเลยว่าแบบฟังฟังไปแล้วแบบอยู่ๆก็ไปกดมันออแล้วฟังฟังไปอยู่ๆก็เป็นนิ่งๆมันอมพอรู้สึกว่าฟังแล้วสุ่ใจก็เอ๊ะฝุ่ใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดมันอีกละ เ, ออเห็นไม่มันกดเองครับเราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันทำงานของมันได้เองไม่ใช่ว่าเป็นตัวเรานะดูอย่างนั้นเลยคือตอนนี้ต้องไป <c oughs> ทำตามรูปแบบ หรือว่ามีเครื่องทองพุทโธ ร, ระหว่างวันหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมไหมหรือว่าทําไปก็ทําไ้ก็ยังดียังมีประโยชน์อยู่อะไรนะฮะมีประโยชน์นะถ้าทําไปแต่คุณหมอนัฐบอกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะเสียอืมลองเลยกถ้างั้นอย่างนี้ก็ไปก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้กําลังดีละแต่จริงๆแล้วถ้าใจไม่มีสมาธิหนุนหลังนะมันทําภาวนามันดีอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ฟุง้ง มันฟุ้งแล้วมันเข้ามาไม่ถึงฐานมันใจไม่ตั้งมั่นถ้าถึงตรงนั้นค่อยมาทำก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ยังไงก็ทิ้งไม่ได้หรอกครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกันบ้านที่เตรียมไว้ก็คือเมืวว่อวานคือผมทำพี่ๆหลายคนก็เหนื่อยใจกับผมหละเกินประมาณว่ากังวลโน่ น, นกังวล น, นี่เยอะแยะไปหมดเขาก็ให้ผมลิสต์ ว่าผมกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วควรจะจัดการตัวเองยังไงก็คือผมกังวลว่ากลัวว่าแบบคืออาจจะมีเคาะหนักกรรหนักมาแล้วแบบว่าผมภาวนาไม่ทันแล้วอาจจะแบบไปก่อนอย่ยไปกังวลแล้วก็มันก็มีอีกอะครับหรือแบบกลัวว่าไปเกิดใหม่แล้วไม่มีสมัมมาทิฏฐิอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเพราะนั้นมันไปกลัวถึงอนาคตทั้งหมดเลย ให้เรารู้ปัจจุบันนะปัจจุบันคือกำลังกลัวอยู่ครับคือทำปัจจุบันเนี้ยให้ดีที่สุดคือมีสติอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆเมื่อเรามีสติกับปัจจุบันแล้วอนาคตไม่น่ากลัวอะไรอย่างคนที่หัดเจริญสตินะถึงไม่ได้มักผลอะไรเนียไปเกิดใหม่เวลาที่จิตเราไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงเช่นมันตกใจแรงๆอะไรเงี้ยสติจะเกิดขึ้นเอง ไม่จะกลับมาอีกการปฏิบัติเดิมๆหรือพอเราไปหัดเจริญสตินะเราจะรู้ตัวได้เร็วภาวนาได้รวดเร็วพอภาวนาพอจิตตื่นขึ้นมาเราก็จะนึกขึ้นได้ว่าภาวะอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเกิดมาแล้วรู้จักดี mm hmm. เพราะฉะนการภาวนาเนี่ยไม่จําเป็นหรอกนะว่าจะต้องจบชาติเดียวถึงไม่จบนะก็เ อ, เอาไปต่อได้มันไม่เหมือนการเป็นภาคปริย<า>ัต อาจจะไม่ผ่านจุดปลอดภัยอาจจะยังเอาตัวรอดไม่ได้ในชาตินี้แต่อไม่สําคัญเกิดชาติหน้าไม่เจออาจารย์ดีๆก็ไม่เจอไม่เจอศาสนาพุทธเนี่ยมันจะรู้สึกวังเวงนั่นสิครับมันจะรู้สึกวังเวงเราเลือกไม่ได้ไม่ใช่ไปกลัวสิ่งซึ่งเราหนีไม่ได้แล้วมันอาจจะแบบพลาดไปลงนรกตอนไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะเราก็ลงมาแล้วไปกลัวมันทําไมล่ะ ของที่เคยฝึกเนี่ยเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆต่อไปพอเราได้ยินธรรมะมันจะไปริ้วเลยไปได้ง่ายคนที่ภาวนาง่ายๆในชาตินี้ล้วนแต่ยากมาแล้วทั้งนั้นแหละถ้ายากสุดๆมาแล้วในชาตินี้ง่ายสุดๆไปเลยอย่างพระพาหิยะเห็นไหมพาหิยะได้เร็วมากชาติก่อนจะเป็นพระพาหิยะภาวนาจนตัวตายไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่เลิก งั้นพวกเรามีหน้าที่เจริญสติะเอาปัจจุบันอย่าไปห่วงอนาคตเลยเอาปัจจุบันถ้ามวัวแต่ห่วงอนาคตแล้วทิ้งปัจจุบันนะอนาคตต้องไปไม่ดีแน่นอนเลยเพราะเราทําเหตุไม่ดีซะละอย่าไปกังวลมัน <Okay. S 1> การภาวนาเขาทํากันข้ามภพขพ้ามชาติ <Okay. S 1> แต่กว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราทํามาหลายชาติแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเราไม่ได้เคยฝึกฝนมาเราไม่ตื่นหรอก <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าชาติเดียวตื่นนะ คนที่ภาวนาแล้วเร็วที่สุดเลยในพระไตรปิฎกมีอยู่คนหนึ่งแต่พระท่านโนเนมนะไม่มีเชื่อเป็นพระองค์หนึ่งท่านหัดภาวนาครั้งแรกสมัยพระพุทธเจ้าวงก่อนพระพุทธกัสสปะท่านใช้เวลาเพียงพุทธันดอนเดียวมาจบในสมัยพระโคดมนี้ได้นี่ใช้เวลาน้อยมากเลยน้อยใช้เวลาไม่มากไม่ถึงกับใช้เวลานิดเดียวกี่ปีครับพุทธันด ไม่รู้เหมือนกันก็พุทธันดอนนะก็คือบอกว่าแผ่นดินสูงขึ้นได้ยอดหนึ่งสูงขึ้นมาสิบหกกิโลใช่ไหมหรือสิบหกไมล์จําไม่ได้ละไปดูสิที่อยุธยาที่หกขุดขุดไหมแผ่นดินสูงขึ้นมาตั้งเมตรกว่าแล้วเหลือเหลืออีกเกือบเกือบยอดไม่มากพูดทันดอนนะทำวันได้อมากครับ ภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้แล้วใจ<ช>่ไหมว่ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วมีหน้าที่รู้เรื่อยๆไปเดี๋ยวมั น, นมันจะหลับอีก<ช>อยากกังวลต้อ ง, อองมันไปเห็นมันไปเห็นธรรมชาติตัวเองที่เป็นคนชอบบังคับแล้วก็จะพอหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปบังคับมันก็จะไปบังคับให้มันไม่บังคับเออมันมันก็ล่งล่งับตัวเองหรือชอบบังคับคนอื่นนะท้อสองอย่าง น่าสงสารคุณตรงเมื่อเช้าเกิดความกังวลขึ้นมาเล็กๆนะครับจิตมันเลยกระด้าง <c oughs> ก็ดูความกระด้างอยู่ประมาณสิบห้านาทีตลอดการเทศของพี่ตอนเชา้ายังเห็นว่าจิตยังดิ้นอยู่อยากหายอยากให้จิตดีเรารู้ไม่ทันต้นต่อของมันไม่รู้ทันความอยากเมื่อแต่ไปวุ่นวายกับอาการของมันไปแก้อาการภาวนาแล้วมุ่งแก้อาการนไม่ได้กินหรอกนะ แต่ภาวนาเรารู้ต้นต่อของมันคือใจซึ่งไม่เป็นกลางเรารู้ตรงนี้ปุ๊บใจเป็นกลางปั๊บนะอกุศลทั้งหลายขาดสะบั้นเลยพี่ชัยเชิญวันนี้เป็นกลางน้อยกว่าเมื่อวานอืแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงด้วยอืมเมื่อเช้าก็ฟุ้งซ่านแล้วขวัญกวายนี่อืดตอนนี้รู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นนิดหนึยอมรับสภาพซะครับยอมรับสภาพว่าฟุ้งซ่านยอมรับว่าไม่มีเรื่องมีแรงครับยอมรับว่าไม่เป็นกลาง ถ้าใจเรายอมรับเมื่อไหร่ก็คือเป็นกลางเมื น, นั้นแหละเอาอ้อยเชิญจิตมีกิเลสค่ะผลักดันให้ส่งกันบ้านดีๆอะไรอ๋อ <c oughs> ดีมากเลยรู้สึกไหมถ้าเราส่งกันบ้านแล้วรู้สึกดีนะชิโนฟังแล้วฉลาดอะไรเงี้ยมันภูมิใจใช่ <c oughs> มันมีกิเลสอยู่ค่ะดีแล้วอ้อยภาวนาได้ดีนะอ้าว่าดไป ก็ตอนช่วงนี้ก็เอ่อก็ฟังเทปพระตอนช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะเจ้าค่ะแล้วก็ฟังเทปของพระอาจารย์เวลาเดินทางก็ฟังแล้วก็ตอนช่วงนี้ก็เห็นจิตก็คือจิมก็จะปกติของเขามันจะไม่ไม่ยากเหมือนสมัยตอนมาเรียนใหม่ๆมาเรียนใหม่ๆก็ยากมากเพราะว่ารู้สึกว่าแพงทําไมแพงก็ว่า คืออยากมากแต่ตอนนี้ก็ไม่สนใจก็แบบรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่สนใจก็จิตมันก็ดูปกติดีแต่ถ้าเกิดมีอะไรมากระทบแล้วเราก็จะเห็นสภาพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเห็นสภาพของจิตคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้จิตมันดีอยู่ตลอดเวลาพอเห็นสิ่งแปร ป, ปอมเข้ามาบางครั้งสภาพจิตมันจะเราจะไม่รู้เลยว่ามัน เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่ตอนนี้สภาวะจิตกำลังเป็นอยู่นะเจ้าค่ะให้รู้สภาวะนะไม่ต้องรู้ยี่ห้อมันหรอกอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็สดใสแจ่มใสดีเจ้าค่ะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนใจเราโล่งๆขึ้นนะใจเราพอภาวนาเป็นนะใจจะโล่งโปร่งเบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวมีความสุขรู้บ้างเผลอบ้างดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้าง แต่ที่สังเกตก็คือว่าสมัยก่อนก็จะเป็นคนแบบเจ้าลมแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเวลามีเรื่องที่แบบถึงเข่าคับขันก็ไม่วตกกังวลก็แก้ปัญหาได้ดีมากอะไระี้เ้ค่ะดีนะนั่นแหละเรียนกรรมฐานแล้วมันต้องอย่างนั้นอ่ะแถวมาส ก, การเจ้าค่ะก็ที่ผ่านมาพงาร่านนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตะกี้ก็เตื่นเต้นนะคะก็ดูไม่บังคับ แต่ว่าก็ยังมีหน่อยๆเจ้าค่ะกิเลสเกิดบ่อยไหมแถาววันๆเยอะมากโอ้ดีมากเยอะมากเจ้าค่ะท่านบอกเยอะมากหลวงพ่อต้องบอกดีมากวันวันนี้ก็เยอะมากเจ้าค่ะมาเป็นแถวพิเศษด้วยความอยากเจ้าค่ะอ๋อนี่ยอมรับแล้วว่าแถวพิเศษนี่ใช่คือแถวเั็นคนยอมรับเจ้าค่ะอ้าโยมผู้ชายออกไปหลวงพ่อนึกว่าแถวเดียวกันนั่นแหละเลยให้เขาก่อนกราบนมัสการหลวงพ่อครับ คือก็ปฏิบัติตามที่งลงซีดีหลวงพ่อแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดสภาวะขึ้นมาสิ่งที่เห็นเนี่ยนะฮะออพอเห็นพอพอมันเกิดตับแล้วมันก็เราก็เห็นว่ามันดับไปต่อหน้าเกิดมาแวบเดียวแล้วก็ดับไปต่อหน้าตาไม่ทราบอันนี้ยังติดเพลงอยู่ไหมครับไม่ไม่ติดนะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับจิตของโยมตอนนี้มันตื่นขึ้นมาแล้ครับแล้วก็บางครั้งที่ไม่รู้ทันสภาวะนี่นะครับหลวงพ่อ มันเกิดพอมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันตึงๆแข็งๆนี่คือการไปฝืนมันตอนนี้เราไม่เห็นสภาวะที่เรากําลังไปฝืนมันมารู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราเห็นเท่าที่เห็นได้นะก็ให้ใ ห, ให้ให้รู้ตรงนี้ไปใช่ไหมครับหลวงพ่อใ ช, ใช่ถ้าเราเกิดอยากรู้ว่าแม้มันไปบังคับเท่าตอนไหนนะรู้ว่าอยากเลยรู้ลงปัจจุบันครับยมภาวนาดีนะไม่ได้แล้วเดี๋ยว ข, ขออนาเนี่ยนหะลงพ่อบางครั้ง คือบางครั้งนี่พอพอเผลอไปปรับเนี่ยมันรู้ตัวว่าเผลอมันมันตื่นปิ๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยคือ อ, อันนั้นคือมันตื่นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับหลังจากที่ตื่นแล้วเนะี่ยมันก็เกิดมันรู้ขึ้นมาอีกว่าอันนี้เป็นการปรุงแตง่งอันนี้เป็นการคิดไปเองหป่าครับไม่คิดหรอกมันรู้เป็นตามหลังไล่ไปเนี่ยว่าก็เป็นการปรุงแตง่งไม่ไม่ได้คิดไปเองเนี่ครับหลวงพ่อแล้วก็ไอ้ที่งงบางครั้งเนี่ยมันงงง่วงซึมๆึมนั่งเฉยเฉยเนี่ยอันอันนี้คือแล้วเดี๋ยวพอรู้ัับมนก็ ใส่แว็บขึ้นมาแล้วก็เป็นใหม่ไอ้ทิ่ง่วงๆซึมนี่คือเขาเรีกโมหะใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อก็คือเราต้องดูนะซึม น, นี่มีสองงานซึมทางร่างกายกับซึมทางจิตใจถ้าซึมทางจิตใจเนี้ยทันทีที่เรามีสติแล้วจะสว่างขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นทางร่างกายอย่างอายุมากอย่างโยมอย่างอาตมาเนี้ยนะว่าอายุมันเกินห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี้ยมันซึม ง, ง่ายคือเลือดมันไม่ค่อยจะไปเลี้ยงสมองอะไรเงี้ย ซึมทางร่างกายเนี่ยพอเราไปรู้นะไม่หายพอไม่หายเนี่ยเราก็รู้ทันใจของเราเ <acost> um <br ing> ช่นใจเราเกิดกังวลนี้เรารู้ว่ากังวลอยากให้หายซึมรู้ว่าอยากให้หายซึม <C> ตัวกังวลตัวอยากเนี่ยเป็นเรื่องทางใจ <C> ถ้าเรารู้ถึงความปรุงแต่งทางใจในความปรุงแต่งนี้ขาดไปเหลือแต่ความปรุงแต่งทางร่างกายครับหลวงพ่อขอข้อสุดท้ายครับที่ที่ผ่านมายัางต้องกลับไปนั่งหลับตาตั้งท่ายังไงครฮะตอนนี้ช่วงที่โยมฝึก ช่วงที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยนะฝึกไปแบบนั้นละกําลังดีเลยไม่ไม่ได้ตั้งท่าก็ยังไม่ต้องกลับไปตั้งท่าอย่างอย่างเพราะผมกลัวจะไปเพ่งอีกถ้าเดีเพตอนนี้หลุดออกมาได้แล้วแต่ถึงช่วงหนึ่งก็กลับไปทําต้องทําอยู่ดีแหละแต่ว่าตอนนี้ไว้ก่อนเมื่อไหร่นี่หลผมพ่อจะบอกเองใช่ไหมครับพอผมผมก็กําหนดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ดูง่ายๆเลยถ้าฟุ้งจนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับไปทําความสงบครับนะ ถ้าทำนี้จะต้องนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงมั่ฮะืนนะเอเาชุ่ช่วครู่ให้สบายครับดูไปเล่นเล่นดูยิ่งดูอย่างสบายนะจะสงบอย่างรวดเร็วเพราะความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบพอสงบแล้วก็ไม่ต้องตั้งท่าแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องนะมีวิธีมีหลายอย่างนะอันหนึง่งเรานั่งไปแล้วพอมันฟุ้งซ่านอยู่เรานั่งรู้ไปเรื่อยหรือบริกรรมหรือรู้ลมอะไรไปเรื่อยเนี่ยพอมันสงบ พอสงบแล้วเนี่ยถอยออกมาสู่โลกข้างนอกเรามารู้กายรู้ใจต่อนี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งพอสงบแล้วยังไม่หมดเวลาที่เราอยากจะนั่งต่อได้อีกเนี่ยเรานั่งดูจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในได้เลยเราจะเห็นมันยุกยิกยุกยิ ก, ยกทำงานอยู่ข้างในเวลาฟังเทศเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องมันําคาญมันอยากเลิกพอใจไหลแวบรู้ไหลายแวบเหยียดไหลแวบรูบ้อย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างนั้นแหละเรียกว่าฟังเป็นครับ <c oughs> <c oughs> ฟังรู้เรื่องนะเรียกว่าฟังไม่เป็น ถ้าฟังรู้เรื่องก็แสดงว่าฟังไปคิดไปแต่ถ้าฟังเราก็เห็นสภาวะเรื่อยๆจะฟังไม่รู้เรื่องแต่จะเข้าใจธรรมะมันธรรมะไม่ได้อยู่ในการเทศการเทศเป็นแค่สื่อเพื่อยั่วให้เรามองเห็นสภาวะเท่านั้นเองค่ะเชิญเบอร์ห้าสิบแปดค่ะตอนนี้ไม่เคยได้ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้เลิกนั่งไปก่อนอตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างจิตใจเปลี่ยนไหมรู้สึกไหม สบายขึ้นค่ะนั่นทไมเราจะต้องวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองค่ะเราภาวนานะเพื่อวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ใช่ไหมแต่เราภาวนาแล้วเราก็ลงมือบังคับกายบังคับใจเรามีความทุกข์มากกว่าเก่าอีกเดี๋ยวไปทําอย่างนั้นค่ะรู้ได้เนี่ยหมอติเคยเล่าให้กูบาอาฟังใช่ไหมว่าเพื่อนหมอเมื่อเขาเครียดคนแนะนําให้ไปเข้ากรรมฐานเลยสติแตกไปเลย <c oughs> ยิ่งเครียดมากกว่าเก่าทํากรรมฐานแล้วต้องมีความสุข นะปฏิบัติทำจะต้องมีความสุขถ้าปฏิบัติเราเครียดแสดงว่าทําผิดไปบังคับกายบังคับใจถ้าบังคับกายบังคับใจนะไม่ใช่ทางนะสุดตรงไปข้างบังคับต้องสบายใจเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนถูกออกไหมค่ะดีสบายใจสบายขึ้นนะฮ ะ, ะไม่ไม่ค่อยเครียดแล้วก็<ด>ไม่ค่อยอัดแน่นน ะ, ะเคยีห็นไหมเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเพ่งให้นิ่งนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนิ่งหมดเลยไม่มีไตรลักให้ดู แต่พอเราไม่บังคับนะมันเคลื่อนไหวของมันเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราเห็นไตร ล, ลักษณ์แล้วปฏิบัติตอนนี้ใช้ได้<ช>หรือยังค่ะยังไม่ต้องนั่งใช่ไหมคะ่ะยังยังแต่ไม่นานก็ต้องแล้วมันใกล้ากฟุง้งแล้วนดมาต ก, การหลวงพ่อก็รู้สึกมาที่นีก็รู้สึกว่าตอนที่มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันก็เติรนดีค่ะ แต่เวลากลับไปบ้าน <S <S นานข้ารู้สึกมันจะซสืมๆบ่อยเป็นทุกคนนะธรรมดาหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์นะเราจะตื่นแต่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันจะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆนะรู้สึกแค่วันสองวันแล้วมันก็จะค่อยๆซสืมไป<อ>เรื่อยๆแบตเตอรี่นี่เสื่อมเร็วจริงซสืมเร็วค่ะแบตเตอรี้เสื่อมเร็วเสื่อมเร็วมากก็ของหลวงพ่ออยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์ เวลาไปหาครูบอาจารย์นะสดชื่นค่ะแล้วเดี๋ยวหนึ่งก็ธรรมดาแล้วก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงดูไปงั้นถึงเวลาเราก็มาฟังทำหลงไปคิดเยอะค่ะใช่หลงไปคิดเยอะมากเกิดบ่อยที่สุดเมื่อกี้ก็ลืมตัวที่ดูเขาส่งมาอ่ะที่หลวงพ่อทักนะฮะแล้วก็ปอเขาส่งไปทำนั้นก็หันไปมองแล้วก็รู้สึกตัวว่าอ้าว ไปมองเขาอีกแล้วก็กลับมาตรงที่จะไม่ให้หลงนะอย่าไปบังคับตัวเองนะะของโยมยังติดบังคับอยู่บังคับทิศหนึก็กลับมาพอรู้สึกตัวว่าอ้าวหลงแล้วรู้หลงไปมองค่ะหลงไปคุยกันเนี้ยอหลงไปมองช่างมันเป็นอดีตแล้วพอพอพอรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับมันแข็งแข็งทื่อๆเหมือนมันมันไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติค่ะที่ที่หลวงพ่อบอกว่าไปบังคับนะค่ะรู้สึกมันจะไปบังคับบังคับก็ แล้วไม่ค่อยเห็นอะไรอะค่ะไม่ไม่ทราบให้หลวงพ่อแต่ต้องให้หลวงพ่อไม่ต้องเห็นอะไรมากเห็นแค่ว่าใจหนีพิคิดเห็นบ่อยๆแค่นี้ก็พอละนะคะรู้สึกว่ามันน้อยไปไหมน้อยไปไหมมันดิ้นดนอะไรจิตมันจะคอยดิ้นรนบ้างเราเรียนนะเพื่อจะให้เห็นความจริงว่าจิตเนี้ยดิ้นตลอดเวลานียเราเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เรียนเพื่อไม่ให้ดิ้นนะ รู้สึกดิ้นและทุกข์มากอะค่ะใช่ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามองแล้วไม่เห็นทางอะไรอย่างนี้ค่ะไม่มีทางอะไรหรอกมีแต่ปัจจุบันนี้แหละค่ะก็เลยทุกข์ค่ะอถ้าปฏิบัตินี้ต่อไปได้ใช่ไหมคะได้ดูเรื่อยๆนะดูบ่อยๆเบอร์สามสิบเก้ามีไหมกราบมนัสการท่านอาจารย์ค่ะคือว่าเวลานี้ก็ปฏิบัติ แบบอานาเนี่ยนะคะอันนี้พอหลังจากนั่นแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณาขันใช่ไหมคะ<ช>แต่ขันห้าเนี่ยค<ช>่ะบางทีก็ไม่ไม่ค่อยจะชัดจะได้ไม่ครบขันห้าจริงๆเอาขันเดียวก็พอก็ได้แต่เวทนาเป็นส่วนใหญ่ได้แค่นั้นก็ดีแล้วค่ะแล้วบางทีอา แ, แบบสงบ นี่เป็นแบบสงบแต่ว่ามันเป็นยังไงไม่ทราบที่โยมภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะภาวนาอยู่เนี้ยจิตใจรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบน ะ, ะรู้ไปเรื่อยๆก็แล้วเวลาตามรูปแบบเนี้ยนะคะก็ทำอย่างนี้แล้วเวลาชีวิตประจาวันก็นดูตามที่ท่านอาจารย์ใช่ที่โยมภาวนาอยู่เนี่ยดีมาก <นะ S 1> แล้วค่ะแล้วอริยสั์ที่ ฟังจากท่านอาจารย์นะคะรู้สึกเลือกซึ้งมากแล้วมันแยกอย่างโทสะโมหะอะไรนี้แยกไปมากเยไม่ต้องไปคิดถึงบัญญัติใช่ไหยคะให้ทาแต่ให้รู้สภาวะที่ปรากฏดเฉพาะหน้านี่ไปเลย่อยๆรู้แต่สภาวะที่ที่ใจกับกายรูปกับนามใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ปฏิบัติพอพอจะ ใช้ได้แล้ ว, ลวภาวนาดีมากเลยนะดีแล้วโยมรู้สึกไม่ร่างกายก็ส่วนหนึง่ง<ช>เวทนาก็ส่วนหนึง่งจิตใจก็อีกส่วนหนึง่งนะขันมันก็กระจัดกระจายออกไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่เรานะแต่สภาวะนี่จำไม่ค่อยได้ไนะสภาวะนี่จาไม่ค่อยแม่นช่างมันช่างมันนะ<า>ไม่ต้องอยากจำที่ภาวนาอยู่ดีแล้วละ่ะมีความสุขแล้ว ส ก, การหลวงพ่อครับตอนนี้ก็รู้สึกโปร่งๆดีครับแต่ว่ามันยังมีตัวเบาๆตัวหนึ่งเหมือนกับไม่แน่ใจครับแล้วก็หลายๆครั้งที่เวลาจิตมีโทสะโลภะโมหะแล้วมันหายมันก็รู้สึกโปร่งแต่มันจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรเบาๆเหมือนกับมันยังไม่เต็มที่ครับเหมือนกับมันมีตัวนึงยืนพื้นไว้เลยยังติดตัวนี้อยู่นะตัวนี้มันคล่อมงำใจเราอยู่แทบตลอดเวลา ที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติจะนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งให้รู้ไปไม่ต้องไปล่ามันหรอะให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปเกลียดมันแล้วก็อย่าไปชอบมันแล้วบางทีอย่างอย่างบางทีมันมันมีการกระทำอะไรบางอย่างครับแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่ามันเป็นเราจงใจทำหรือว่า มันทําของมันเองอะครับเราค่อยเป็นคนดูไปนะเหมือนเราดูละครนะ่ะเราก็เห็นกายเห็นใจเขาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเมื่อไหร่มีเจตนามีความจงใจขึ้นมาเราไปทําเองนะใจมันจะแน่นๆขึ้นมัาัะหนัก ๆ, นกๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาถ้าไม่มีอาการหนักๆแน่นๆแข็งๆเครียดๆนี่ก็คือเราพอใช้ได้ดูไปเลยแค่ไม่จงใจใช่ไหมเราไม่ได้จงใจถ้าจงใจเมื่อไหร่ก็แน่นคขอบคุณครับ การอ่าอาจารย์ก็ผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะแล้วก็จะจะทำไงถึงว่ามีความคิดเห็นตรงกับภรรยาคือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเสมอไม่เป็นไรนะเราอยู่กันมาได้ตั้งนานแล้วไม่เป็นไรก็ต้องก็ต้องปล่อยเลยตามเลยใช่ไหมคนเราจะเป็นเราจะบังคับที่มันอ่าบังคับไม่ได้ความเห็นตรงกันนี่ไม่ได้ไม่ได้เราจะยิ่งไปบังคับภรรยานะยิ่งไม่ได้ใหญ่ ก็อลองดูสิใจเราเรายาังบังคับไม่ได้เลยแล้ว <Aven ge. S 2> เราไปบังคับคนอื่นได้ยังไง <c ười> ดูของเรานะไม่ดูคนอื่น <c ười> อย่างดูใจเราเนี่ยใจเราจะโกรธเราห้ามได้ไม้มใจเราจะโลภจะห้ามได้ไหม <c ười> คนอื่นก็เหมือนกันนะอย่างเขาจะโกรธเขาก็ห้ามไม่ได้เขาน่าสงสารเขาจะโลภเขาก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน <c ười> <Kelly> เขาก็น่าสงสาร <c ười> ดูอย่างนี้นะดูมองกันออกด้วยความสงสารกัน ก็พยายามคิดว่าขุนเขาย่อมไม่วันไหวต่อแรงลมชั้นด่ดบัณฑิตย่อมไม่วันไหวต่อทำสันเนรเสร น, นินทาชั้นนั้น ม, มันก็ทำไม่ได้ไม่ได้หรอกออมันมเป็นแค่สุภาษิตเขาต้องต้องต้องปล่อยป่อยเลยตามเลยไม่เราคอยรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆใจของเราตอนนี้ยังไม่ใช่บัณฑิตตัวจริงใจเราเป็นแค่คนที่ไปเรียนมามากเท่านั้น เรายังไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจมากๆถ้าเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆถึงจะเป็นบัณฑิตตัวจริงก็ไม่หวั่นไหวเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้เป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวราำยศสรรเสริญสุขก็ชั่วคราวหมดเลยอะไรๆก็ชั่วคราวเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งชั่วคราวนี้เราจะไม่หวั่นไหวละมันจะดีมันจะร้ายเราก็รู้ว่าชั่วคราว เราต้องยอมดูลงไปเรื่อยบังคับไม่ให้วันไหวได้ไม่ไม่ไม่บังคับไม่ได้พอไม่ได้อไม่ได้อย่างคนเอาหินมากว้างหัวเราเนี่ยยังไงก็เจ็บใช่ไหมใจเราเนี่ยกระทบอารมณ์ไม่ดียังไงก็ไม่มีความสุขแต่พอมันไม่มีความสุขขึ้นมามันหวันไหวขึ้นมาให้เราคอยรู้ทันไว้เราก็จะเห็นเลยว่าความไม่แช่มชื่นใจก็อยู่ชั่วคราวเวลาที่เรามีความสุขเราก็ดูลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราว ถึงวันหนึ่งปัญญามันแทงตลอดนะมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยเมื่อเราเห็นเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวละความสุขผ่านมาเราก็เห็นว่ามันชั่วคราวเราก็ไม่หลงยินดีความทุกข์ผ่านมาเราก็รู้ว่าชั่วคราวไม่หลงยินร้ายเราไปโยมก็จะเป็นบัณฑิตไม่หวั่นไหวด้วยความยินดียินร้ายเพราะว่ามีปัญญารู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวดูตรงนี้ไปเรื่อยๆนะชีวิตเราก็ชั่วคราวนะ ไม่นานก็ไม่เจอกันละก็แสดงว่าต้องฝึกปัญญาไปเรื่อยๆใช่ฝึกดูของจริงคือีนถึงขั้นันึงถึงจะถึงจะไม่วันไหวใช่ใช่ตอนนี้วันไหวไปแต่ว่าต้องมีศีลนะถึงเราวันไหวเราโมโหไงเราก็ไม่ตีภรรยาเราไม่ด่าเราไม่ตีนะผิดศีลเชิญหรือถูกภรรยาตี ก, การนำมาจัดการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้มาอยู่วัดค่ะอรู้สึกจิตไม่ปกติตื่นเต้นเรตื่นเต้นนะนนนะรู้ไปเราวเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศเรื่องทุกข์ก็เห็นจิตที่มันไหลลงไปเศร้าอืก็ดูมันก็ยังมันยังมีรักตัวเองอยู่เออนะดูไปจริงๆแล้วเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงอ่ความจริงคือเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราจะชอบบอกว่าเรารักคนโน้นรักคนนี้จริงๆ ร, รักตัวเอง ธรรมะก็แสดงความทุกข์ที่กายที่ใจส่วนใหญ่เป็นทุกข์ที่ใจอะเยอะออทีนี้โยมก็ ร, รู้รู้ว่ามันชอบไหลไปปรุงเห็นบ่อยมากที่ไหลไปปรุงแล้วก็รู้แบบไม่เป็นการด้วยอเออเดาไปไงไัออ้นแหละนะปรุงที่ไร ก, ก็ทุกทุกทีขันทั้งหลายสังขารทั้งหลายปรุงนั้นก็ทุกข์ขึ้นม า, าคุณดําเกินเมื่อกี้นี้แบบมาดูจิต น่อยนึงก็เห็นว่าเอ๊ะมันเฉยเฉยนะฮะก็เลยพอจะดูว่าเอ๊ะมันเฉยเพราะเหตุอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไปจ้องอีกแล้วอก็เลยไปแค่รู้ว่ามันจ้องเท่านั้นไปรู้ใจก็เลยสว่างขึ้นมามันมันมันติดที่จะไปพอจะดูปั๊บเนี่ยมันจะไปจ้องธรรมดาเรายิ่งฝึกสมาธิมากนะมันเพ่งเก่งแล้วก็พอ สนใจอะไรนะใจเราก็คอนเซนเทรตลงไปไปจ้องครับแล้วก็ไปเกาะเอาไว้แต่ถ้าเรารู้ทันไม่เป็นไรครับวันนี้ใจรู้สึกไหมใจโปร่งโปม่งขึ้นับเดี๋พราะเรารู้ทันสภาวะที่ไปจ้องเราไม่ได้แก้แค่รู้สภาวะเฉยๆนะใจก็โปร่งแล้วก็คือไม่พยายามไปแก้มันเออไม่ต้องไปแก้มันให้รู้ลูกเดียวส่วนมากมันจะพอจะรู้จิตมันเหมือนกับว่ามันจะไปจี้เป็นจุดอย่างนั้นนะฮะให้รู้ทันว่า จงใจไปดูแล<ะ>้วตรงที่รู้ว่าจงใจไปดูจิตตรงนั้นรู้จิตเรียบร้อยแล้วถ้าส่งจิตไปดูนะตอนที่ส่งจิตไปดูเนี่ยไม่รู้ทันจิตจ่อไปตรงนั้นแล้วก็ไปรู้เ ห, เห็นนู้นเห็นนี่เนี่ยนี่ช้าไปแล้วเรียก<ม>ว่ามไม่ได้ดูจิตแล้ว ค, ค, คุณรัตนีเป็นไงภาวนาดีขึ้นไม่ยังไม่ทราบสกายครับเรียนหลวงพ่อใจมันเจ้าออกข้างนอกนิดหนึง่งมันสบาย มันโปร่งๆโล่งๆนะแต่มันยังจ้ากเกินจริงอยู่นิ ด, นดมันไปรู้ข้างในว่ามันอัดอัดแน่นเงี้ยถ้อย่าไปอัดมันปล่อยให้หมดเลยมันยังเป็นเห็นเหมือนเดิมๆค่ะว่าไม่เหมือนเดิมหรอก ม, มันแค่แช่อัดแน่นแน่อมันแค่แค่แค่แตะๆนิดเดียวไม่มากแต่ก่อนเนี้ยจับแน่นเลยไม่เหมือนเดิมหรอกเมื่อก่อนจับซะแข็งเลยเห็นไหมคอคล็ดเลยจับซะ อย่นี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะ<ๆ>แค่ย่อๆหน่อยเดียวยังไม่ใช่ว่าตอนนี้เป็นมีประคองไหมคะหลวงพว่อมีนิดเดียวเลย<ม>ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วมีประคองนิดหนึ่งมองไม่ออกคก็ไม่เป็นไร<จ>รู้เท่าที่รู้ใจเรามีส่วนที่นิ่งอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมมันมีความนิ่งเหลืออยู่นิดหนึ่งถ้าตราบใดยังมีความนิ่งแทรกอยู่นิดมแม้แต่เล็กน้อยนะ<ๆ>ก็แสดงว่ายังประคองอยู่ ให้สังเกตตรงนี้ให้สังเกตรู้เล่นๆ <คน S 2> ไม่ต้องแกะขลับมาคุณจะดีขึ้นเยอะแล้วคะะุณรัตตณีเสียงยังได้ยินไหมยังแววอยู่ไหมอย่าไปสนใจมันนะสนใจที่จิตลราว่าไงมันมันเกิดสภาวะข้างในแต่มันไม่รู้อะไรไม่ต้องรู้นะ <c oughs> เราไม่ต้องการยี่หออแค่เห็นสภาวะแล้วก็สภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะ รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรใช้ได้แล้วหลวงพ่อจะขอเรียนถามแทนพี่สะพายได้ไหมเจ้าค่ะพอดีไปที่ขอนแก่นนะเจ้าค่ะแล้วพี่สะพาบอกว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาตลอดแล้วเขาขับรถนะคะระหว่างขับรถเขาเห็นความคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไ ร, รคะแล้วก็มันก็ไหลผ่านะลยเออ อ, อย่างนั้นแหละดีแล้วเขาถามว่าจะทายังไงดีเจ้าค่ะ หนูไม่รู้ว่าหนูหนูแน่ทาเขาผิดหรือเปล่าหนูบอกทิ้งไปเลยก็รู้ไปไงอะไรๆมาแล้วก็รู้รู้แล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันหนูบอกเขาบอกว่าทิ้งไปเลยแล้วนับหนึ่งไปดูรู้ความรู้สึกใช่มันเห็นสภาวะเราก็ดูสภาวะไปสินะแต่พอดูแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมไหลๆนี่มันคิดเรื่องอะไรนะก็รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไป รู้เลยบอกเขาบอกว่าให้มาสมการบ้านหลวงพ่อแล้วครับอไปเชิญยบชื่ออะไรบันพจน์ว่าหรือครับใช่ครับตาว น, นมรดการหลวงพ่อครับช่วงนี้รู้สึกโยมมันสรุป ก, กับการตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็บางทีก็แน่นบางทีก็เบาเดูไป เหมือนไม่ไม่ไม่ไปทอะไรอย่างั้นครับดีภาวนาได้ดีก็ไ ป, <ๆ>ไปเรื่อยๆดีแลกโยนำ้ำมาสการหลวงพ่อค่ะก็ไปคอยรู้คอยตามรู้กายใจแล้วก็รู้สภาวะที่มันคิดอะไรขึ้นมารู้<อ>ความรู้สึกนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ความรู้สึกเช่นเราคิดคิดเรื่องเนี้ย เมมติเราคิดถึงดอกไม้สวยใจเราชอบขึ้นมาเลยรู้ว่าชอบไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องดอกไม้นะรู้ที่ใจรู้ความรู้สึกที่ฝึกอยู่ใช่ได้ดีแล้วแต่พอพอรู้ไปปุ๊บสิ่งนั้นมันก็หายไปก็ไปรู้ต่อได้ใช่ไหยใช่แต่เราอย่าตามมันไปน ะ, ะพอมันหายแล้วก็เออช่างมันเดี๋ยวก็อยู่สบายๆไปเดี๋ยวตัวอื่นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปตามตัวเดิมค่ะ คุณเบนเ็นไงกำลังตื่นเต้นค่ะมีประคองตื่นเต้นไม่เป็นปัญหานะประคองถึงจะเป็นปัญหาแล้วไงอีกก็พอพอประคองบางทีก็รู้ว่าเอยมันพอใจในประคองก็หลุดแล้วเดี๋ยวก็ไปกดไว้อีกนี่รู้ทันไปเรื่อยเขาทำงานของเขาเองดูกายดูใจเหมือนดูคนอื่นเรื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกจะประคองมากกว่ากดตัหน่อยใช่คือประคองไว้ก่อน ถ้ายังดิ้นได้ก็จะค่อยกดออกเออตะกี้นี้มันจะมีหลงบ้างรู้บ้างแล้วก็งงค่ะพอไม่มาถึงแล้วยมก็สั่นๆแล้วพอยมเห็นหลวงพ่อยมว่าสบายสบายมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงค่ใช่ออกนอกแล้วมาดูหลวงพ่อใช่ดูตัวเองสิคือของเราไฟดูทุกไปมาดูหลวงพ่อแล้วโอ้มีความสุขเราดูของเราไปนะ อย่าพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้ทุกข์เยอะๆะถ้ามาดูหลวงพ่อแล้วก็ปลื้มไปเรื่อยๆไม่เห็นทุกข์ใช่ค่ะํำเบอร์ยิบสองนิมัสการของพ่อค่ะก็เมื่อเช้ามันก็มุมบัวว่ว ง, วงค่ะแล้วตอนนี้ก็เบาห่วงขึ้นแต่มันถ้านึกถึงการปฏิบัติพูอมันมีจุดหนึ่งเข้าไปเหมือนกับจงใจจงใจที่จะไปรู้อย่างนี้ค่ะ แล้วก็พอรู้ความจงใจอันนั้นก็พลายหายไปค่ะแต่ก็ยังมีความเกรงอยู่ถูกตั้งคือรู้สึกว่าลงเยอะล ง, ลงเยอะแล้วก็ใจไม่ตั้งมัน่น<อ>ใจไม่ตั้งมันม่นเพราะพอจะจับพิจารณาว่าตัวนี้มันเป็นตัวผู้อื่นพิจารณาได้เดียวเดียวเดี๋ยวก็หายไปก็เลยแล้วก็ มเมื่อช้าได้ยินเพื่อนพูดถึงบุคคลหนึง่งมันก็รู้สึกไม่ชอบบุคคลนั้นขึ้นมาเพราะว่าเคยไม่ชอบมาก่อนอก็แล้ว่ะพอเขาพูดถึงว่าจะช่วยเหลือผู้นั้นไอ้ความรู้สึกข้างในอะ่ะมันแคบทันทีเลยใจมันแคบอื ม, มันคิดไม่ค่อยอยากช่วยเหลือเขาแต่ก็ไม่รู้จะทําลยมไม่สามารถทให้มันหายนั่งดูไปนะเขาสอนธรรมะเราตลอดเลยที่ว่า เราบังคับเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูอย่างนี้อ่ะป้อมยังเพ่งหนักกว่าเมื่อวานเน่ยหลวงพ่อเมื่อวานบอกใจมันไม่ดิ้นแต่เมื่อคืนดิ้นให้ดูเลยค่ะว่าบังคับมันไม่ได้ะคะ่ ะ, ะหมดแรงเลยค่ะหลวงพ่อโดยธรรมชาติเราภาวนาเนี่ยโดยทฤษฎีเรารู้น ะ, ะแต่ตอนที่ลงมือทำจริงเนะี่ยใจมันไม่ยอม อย่างราบอกให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มียอมหรอกว่าสักว่ารู้ว่าเห็นต้องสู้ตายก่อนสู้จนหมดฤทธ์สุดฤทธิ์สุดเดชแล้วหมดสติหมดปัญญาแล้วะถึงจะยอมตอนนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อดูไปเรื่อ <Okay. S 1> ขมไห้ก็รู้นะอยากหายก็รู้ใจมีความอยากหายค่ะ <Okay. S 1> ให้รู้ตรงที่อยากนั่นแหละดีกว่ารู้ที่ขมเ <Okay. S 1> อาโยมตัดไป กบรบังคับน่าบังคับมันสบายๆการมาสการหลวงพ่อครับก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็คล้ายกับบังคับจริงๆพ่อบอกครับครับดูเล่นๆนะยอมเห็นกิเลสได้บ่อยยังก็เห็นหลายไปบ่อยบ่อยมากขึ้นครับดียิ่งบ่อยยิ่งดีครับเราภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาเพื่อไม่ให้มีกิเลสแต่เราภาวนาจนเห็นว่าไม่ว่ากุศลหรือกิเลสนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงตรงนี้เราก็จะพยายามบังคับใจตัวเองให้ดีให้มีความสุขให้ไม่มีกิเลสเลยมันบังคับไม่ได้จริงเราดูของจริงไปเราจะเห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้จริงหรอกครับดีกลับมาสังเกตยมภาวนาได้ดีขึ้นแล้วละ่ะใจมันโปร่งขึ้นแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหรือยังใช่ดีดีมากเลย นมัสการค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นตต่แล้วก็มีปิติมากที่ได้มาวันนี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมาหลายวันเห็นความอยากแล้วก็รู้ตัวว่าเพ่งอยู่แล้วก็มีเกรงๆแล้วกเ็เห็นกิเลสตัวเองถีขถ่ขึ้น<อ>ดีขึ้นนะคะดีมากเลยอย่างนี้สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะกิเลสเยอะ <laughs> ชอบ <laughs> ดีกรับนมัสการหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าตัวเองตรึงอารมณ์น้อยลง นะครับแล้วก็พยายามมองอสภาวะแต่วันครั้งมันไม่ใช่มองครับหลวงพ่อมันเป็นการจออ้องนะครับแล้วพอจ้องหลายๆครั้งเนี่ยเวลาใจลอยไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองฟุง้งซ่านและหมุดหงิดบ่อยครั้งครับหลวงพ่อเลยไม่ทราบว่าตัวเองมาถูกทางหรือว่าที่เดินทางผ<ะ>ิดถูกทางแะรูะ้ไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นแล้วนะโหล่ขึ้นมาแล้วแต่ก่อนจ้องแรงจ้องแล้วเครียดหลาอยๆเวลาดูไปอย่างนี้แต่ถือศีล น, นะ พเราปล่อยเราไม่บังคับเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีศีลไว้ก่อนเราจะไปทําความผิดนั้นเรามีศีลห้าไว้ศีลห้าจำเป็นแล้วก็พอเรามีศีลห้าเนี่ยแล้วเราก็ไม่บังคับใจตัวเองใจจะคิดดีจะคิดร้ายสมมุติว่าใจเราเกิดจะไปรักเมียชาวบ้านเนี่ยเรารู้ทันรู้ทันไม่ใช่ว่าต้องห้ามมันสมมุตินะไม่ใช่ว่าของคุณจะไปรักใครหรอกนี่ครับค่ะคำนิยมสการหลวงพ่อคะ่ะ ก็มองเห็นความรู้สึกตัวเองเร็วขึ้นนะคะระยะแรกก็เหมือนกับว่าคอยจะจ้องดูว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นว่าถ้าเราวันนี้ขึ้นไปทํางานเดี๋ยวเราเจอคนนี้เราจะต้องโกรธเราจะต้องขมคือเคยคิดเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นก็เลยพยายามขม่มมีความรู้สึกว่าขมนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นตัวโกรธ เห็นอารมณ์โกรธขึ้นในตัวยังไม่ได้แสดงออกมามันเหมือนกันแน่นๆอืก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋อไอ้ตัวเนี้ยเหรอมันมันเป็นท่อนมันเป็นท่อนก้อนๆหรืออะไรมากดแน่นอย่างเงี้ยเหรอก็นิ่งไปสักพักไม่พยายามทีจะแสดงออกมาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงระเบิดเถิงออกมาแล้วนะคะก็วันนั้นรู้สึกว่าแปบ๊บหนึ่งก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีหรืออะไรก็เหมือนปกติ แล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็จําสภาวะอารมณ์วันนั้นได้ว่าเราจะต้องไม่ให้เห็นมันมันแ น, น, น, น่นแ น, น, านๆน่นแนในหน้าอกตรงนั้นนะฮะอแล้วก็จนถึงเมื่อวานนี้ก็เจอเหตุการณ์หรืออะไรก็รู้เร็วแล้วก็นิ่งรูนะคะค้รู้เหมือนกัไม่รู้ว่าแบบจะใช่หรือเปล่าว่าสักแต่ว่ารู้มีคนเอาขา <c oughs> <ıı. S 1> มาบอกแล้วเราก็ว่าเรารับฟังแล้วก็อืมเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเลาวคิดอย่างเนี้ค่ะไม่ทราบว่าก็ใช่ได้นะแต่ว่าต่อไปค่อยสังเกตอีก ตัวนิ่งของเราเนี่ยเราไปกดขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยใอยสังเกตตัวนี้อีกทีของโยมยังมีกดอยู่นะอย่างขนาดเนี้ยมันกดอยู่ ย, ยังกดนะยังมีความรู้สึกว่าไปพยายามกดมันก็เลยว่าจะขอคําแนะนําให้รู้ทั น, นถ้ากดอยู่รู้ว่ากดไม่ต้องแก้หรอกเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองข อ, องของโยมมันติดกดไว้นิด น, นึงพอเรากดเอาไว้เนี่ยอะไรมากระทบเราก็เฉยไม่กระเทือนแต่ถ้าเผลอ อย่างคนคนนี้กําลังเดินมาเนี่ยเราเรารู้ว่าเดี๋ยวต้องมาเอาเรื่องกับเรานะเราคอยดูไว้เงี้ยเราจะไม่โกรธหรอกแต่ถ้าอยู่ๆมันเดินพรวดมาชนเราเราไม่ทันตั้งหลักนะ<ม>เห็นหน้าปุ๊บเกลียดเลยเดี๋ยโกรธเลยอย่เงี้ยไม่ได้ตั้งท่าไว้ก่อนงั้นถ้าเราตั้งท่าไว้ก่อนนะใจเราก็จะไม่แสดงความจริงให้ดูแล้วปล่อยให้มันกระทบอารมณ์แล้วเราก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปดีกว่าไปกดเอาไว้แล้วรอดูนะไม่รอดูใช้ตามดูเอา อ่ะโบดรโบค่ะก็เป็นด็อร์ทางไหนเนี่ยทางนิวเคลีย์ค่ะทางอะไรนะนิวเคลีย์ค่ะนิวเคลีย์ใช่เหรอ <c oughs> น่ากลัวเนาะ <c oughs> อ้าวแล้วไงก็ช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าสนุกกับการตามรู้ตามดูไปเรื่อยอๆค่ะแล้วก็แต่เมื่อเช้านี่เหมือนมีความรู้สึกอยากดีแล้วมันก็ไปกดไว้นิดๆอย่างนี้คถ้าอยากเราทุกนะไปกดเราทุกหลวงพ่อเห็นด้วยนะว่าภาวนาแล้วสนุกนะ ตั้งแต่ไปเรียนจากหลวงปูดูลนมานะรู้สึกสนุกกับการที่ตามดูตัวเองสนุกพอเรารู้สึกสนุกเรามีความสุขที่ได้รู้ได้ดูได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจเป็นลําดับลําดับไปมันขยันดูนะมัมีฉันทะที่จะดูเรื่อยๆมันมีฉันทะนะมันก็ขยันดูไปเองวิริยะเกิดเองอ่ะใจก็จดจอ่อใจเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันเดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จคือเข้าใจธรรมะดี ถ้าภาวนาแบบตั้งฝืนใจดูนะยังอีกหา่างแต่ถ้าภาวนาแล้วรู้สึกอู้สนุกย่างเลยได้เรียนรู้ตัวเองเนี้ยใช้เวลาไม่เยอะละช่วงนี้รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ถี่กว่าเมื่อเดือนก่อนนะอะแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยสบายก็เลยนอนเยอะหน่อยอะ่ะนอนก็ไม่ใช่ปัญหานี่ปฏิบัตินอนก็ไดไ้เห็นจะต้องเป็นไรเลย อ, อย่างสูงเรากินยาเข้าไปนะแล้วก็เบลเบลด้วยเนี่ย นอนอยู่เกิดความเบลเบลก็นอนรู้สึกไปอย่างนั้นแหละรู้ว่ามันเบลเบลไปไม่ชอบมันอยากให้หายป่วยอยากให้รู้ชัดก็รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปโทสะมันเกิดอย่างนี้เห็นไหมป่วยก็ภาวนาดได้นะต้องฝึกไว้เวลาที่แต่ละคนจะตายจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าเจอเจอสภาวะที่ร้ายแรงแค่ไหนแล้วเราต้องฝึกว่าเราสามารถรู้สึกตัวอยู่ได้ในทุกๆสภาวะรู้ทันใจของตัวเองไปไม่ใช่ฝึกรู้แบบแข็งๆนะ เช่นมันตายจะตายอยู่แล้วโอ้เจ็บมากทุรนทุรายเราดูไอ้ร่างกายมันทุรนทุรายร่างกายนอนดิ้นไปดิ้นมาเราก็ดูมันไปเรื่อยๆใจของเราเกิดกังวลขึ้นมานิดนึงรู้ว่ากังวลอะไรเงี้ยนี่ตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเคยภาวนาเมื่อก่อนเนี้ยทุกวันใจจะต้องสว่างวันไหนมันหมองหมองไปนิดหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้วนะต้องหาทางต่อสู้เพื่อให้มันสว่างทุกวัน จนกระทั่งมาบวชแล้วนะภาวนาจิตมันเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบางวันมันยังมองได้หน่อยๆพอเราทนไม่ได้เราก็หาทางภาวนาต่อสู้จนวันหนึ่งนะมันก็พบความจริงอันหนึ่งจิตนี้เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมผองใสแล้วก็เศร้าหมองผองใสแล้วก็เศร้าหมองได้พอเห็นความจริงตรงนี้ต่อไปนี้เธอจะเศร้าหมองเรื่องของเธอนะเรื่องของเธอแล้วเราไม่ไม่สนใจมันนะ เร้ามองก็รู้ว่าเศร้ามองว่าใจเราเป็นกลางอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นมันไม่มองแล้วมันเอาความหมองมาหลอกเราไม่ได้เพราะงั้นใจจะผ่องใสหรือใจจะเศร้าหมองก็รู้ไปเรื่อยๆเคยบอกพระอาจารย์ว่าซึมบ่อยแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ไปขยับนิ้วอะค่ะเออเ อ, อ, อยากถามว่าเราที่ทำดีลองถูกป่ะถูกสิใจตื่นขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเมื่อก่อนมันหลับไปช่วงหนึ่งใช่ไหมคะอืม เพราะว่าขาสมถะใช่ไหมคะบางทีันเข้าใจคำว่าสงบผิดคิดว่าสงบกับซึไมไปอันเดียวกันเวลาลงมือภาวนาแนะ้วก็น้อมใจให้ซึมไปเลยคิดว่านี่แหละสงบนะคนสูงเนินใช่ไหมใช่ก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าจะแพ้กิเลสพวกหยาบๆยาบครับก็เลย กเลยกินข้าวครั้งเดียวตอนเช้าแล้วก็เที่ยงกับเย็นไม่กินเป็นเดือนหนึ่งออะไรนะฟังไม่ออกก็กินข้าวแค่ครั้งเดียวครับปรากฏว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นเออถ้ากินข้าวครั้งเดียวแล้วดีเราก็กินครั้งเดียวอันนี้ช่วงสี่วันหนังก็เลยไม่กินเลยไม่กินอะไรเลยไม่กินข้าวเลยใช่ครับไม่กินเช้าก็ไม่กินใช่ครับแล้วไม่กินมากี่วันแล้วสี่วันครับเดินยาวนานนักนะก็เลยร่างกายมันก็ต้องกินเหมือนกัน แ ต, แต่พอทําแล้วมันรู้สึกดีดีบาง<ม>ส่วนนะก็เลย<ม>ทดลองดูอยู่ว่ายังไงมันจะเหมาะกับตัวเองอลองดูนะแต่ครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์นะที่ภาวนาด้วยการอดอดเนาะแต่ส่วนมากพอท่านภาวนาได้แล้วท่านตายเร็วอย่างท่านพหลีอดเก่งอดอดดายุ50นิดนิดก็ตายแล้วโรคกระเพาะกินแร้วพุทธเจ้าท่านก็เป็นโรคเม็ดถ่ายเป็นเลือดเลยว่าพวกกระเพาะลําไส้นี่แล้วท่านก็เคยอด เนี่ก็อย่าให้มันสุดโต่งมากไปแค่พอสังเกตว่าทํายังไงแล้วสติเกิดบ่อยเนี่ยตัอย่างเราอดแล้วสติเกิดบอนะ่อ้นเราก็หัดดูสภาวะไปช่วงเนี้ยพอจิตเราจําสภาวะได้แล้วต่อไปถึงเราไม่อดนะสติก็เกิดบ่อยเพราะสติไม่ได้เกิดจากการอดข้าวสติมันเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แต่ว่าพอเราไม่กินข้าวมากนะใจมันไม่ซึมเศร้าเราก็หัดรู้สภาวะได้มากเราก็เลยรู้สึกสติเกิดบ่อย พอจิตมันจําสภาวะได้แล้วนะถึงไม่อดนะมันก็สติมันก็เกิดครูบาอาจารย์บางองค์ต้องฉันข้าวนะอย่างโลงปู่ฟั่นเนี้ยต้องฉันข้าวก่อนแล้วไงก็ถ้ากินเยอะแล้วมันแพ้กิเลสก็กหยาบๆเยอะ ก, กันไปครับก็เลยยอดคว<ด><ด>ามราคะใช่ครับธรรมดาครับยังคิดเอาชนะกิเลสลําบากนะกิเลสน่ยสู้ยาก มีสติรู้ไปเรื่อยค่ะก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะแต่ว่ายังรู้สึกว่านํา ม, มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้บ่อยอืมกิเลสเห็นไม่บ่อยแต่ว่าเห็นว่าจิตมันเผลอไปคิดบ่อยอะค่ะเออนั่นแหละดีจิตที่เผลอไปคิดนั่นแหละจิตมีกิเลสแล้วบางทีก็เหมือนกับพอเราคิดแล้วเราก็ไปรู้มันแล้วมันรีบดับเราเลยไม่แน่ใจว่าเราไปทําให้มันดับหรือมันดับไปเองอะค่ะถ้าหากเราไปทําให้มันดับน่ใจเราจะแน่นแน่นขึ้นมาัาค่ะถ้ามันดับไปเองเนี่ใจเราจะปงโปค่ะ ไม่ไม่ทราบที่หนูปฏิบัติอยู่มันถูกถูกต้องไหมคะแต่รู้สึกว่าเหมือนบางทีเรารู้สึกตัวเองว่าจิตมันยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่ตื่นนะคะนั่นแหละนั่นแหละถ้าอย่างนี้ใช้ได้และวหลวงพ่อกําลังจะบอกว่าจิตไม่ตั้งมัน่นถ้ารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็ใช้ได้และค่ะแล้วเราก็ให้ปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะใช่ดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อมีการบ้านให้ไหมคะนี่ไงให้แล้ว <Okay. S 2> ให้ไปดูนะขอบคุณค่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็จะรู้สึกว่าคือไปเห็นอัตตาของตัวเองนะคะมานาอัตตาแล้วก็ไม่ชอบใจอ่ะคะ่ะใจมันไม่เป็นกลางแล้วก็มันมันก็เลยเศร้าหมองอื mm hmm. พอเศร้าหมองเสร็จมันก็เลยโกรธอื mm hmm. คราวนี้ก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากปฏิบัตินะคะ mm hmm. ก็เลยทิ้งมันไปสองสามวัน mm hmm. แล้วก็แล้วก็เลยรู้สึกว่าใจมันยังไม่ปกติอะคะ่ะหลวงพอ่อ mm hmm. มันจะแบบ พอนึกถึงการปฏิบัติมันก็เลยเหมือนจะไปไปทำขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ว่าพอใจนึกถึงปฏิบัติแล้วมันทําเรารู้ว่าทํานั่นก็ปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่การทําอะไรแต่ว่าร่างกายจิตใจมันทําอะไรแล้วเรารู้ทันนเรียกว่าปฏิบัติคือมันยังเห็นว่าใจมันเมื่อก่อนมันบางทีมันรู้มันจะมันจะเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ไปเห็นตัวมานะตาแล้วก็โกรธ โกรธขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าคือคื อ, คอที่โกรธโกรธโกรธตัวเองอะค่ะโกรธว่าทําไมปฏิบัติแล้วเหมือนเหมือนไม่เข็ดอะไรเงี้ยค่ะคือแบบคือในความเป็นจริงก็คือเมื่อก่อนก็มีมาณอัตตาแต่ไม่เคยเห็นตอนนี้ภาวนาจนเห็นมันแล้วยังไปโกรธมันอีก <c oughs> คือบอกว่าเคยเคยเคยตกหลุมมันนี้มาก่อนอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือคือเค ย, เค ย, เ, คยเคยวางใจเป็นกลางได้ไม่ยินดียินไล่กับมันนะคะแต่ว่าคนนี้ก็ยังแบบว่า พลาดแล้วก็เลยโกรธตัวเองอะค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพลาดเลือ ก, กรู้ลงลไปเลยว่าจิตมีโทสะนะรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องทําอะไรหรอกรู้ลงปัจจุบันไป เ, เ<ด>รื่อยๆอ้าจุดูสภาวะไหมรู้สึกไหมจิตมันมีโทสะเจืออยู่เรื่อยๆนั่นแหละให้รู้ไปโทสะเหมือนกวันนะลอยอย้ัยอิ่งอยู่ในใจเราเรื่อยๆเราก็รู้ไปอา้าจุ้ เมื่อกี้ดูสภาวะไม่ออกใช่ไหมแต่ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าประคองอยู่อ<ะ>ถูกต้องใช่ได้เอ้าใจเมื่อเช้านี้ง่วงค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยว่าเบอร์เบอร์เบอร์แล้วพอสบตาหลวงพ่อปุ๊บมันจะเห็นภาวะของความแปลว่ามันเหมือนมีพลังขึ้นมาตื่นแว บ, บขึ้นนึงนะเมื่อกลับมาสู่ความเบลอตอนนี้เ อ, อความง่วงน้อยลงแต่รู้ว่าความเป็นกลางน้อยกว่าเมื่อวานเนี่ค่ะ ดีใช่ได้แต่เห็นไหมมันมีความง่วงเจื อ, อยังไม่หมดหรอกให้รู้ไปค่ะแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆเพอ่มไปไม่ได้ใส่ใจมากๆเนี่ยจะเห็นว่าใจมันเย็นเย็นก็แล้วก็เลยเห็นความสงสัยตัวเองแล้วทําไมใจมันเย็นหรือมันหนาวกำลังสงสัยว่ามันหนาวหรือเป <laughs> ล่าเอ้ทมันเย็นออกจากข้างในจากตรงกลางออกมาพอเห็นปุ๊บแล้วมก็แล้วมันก็ค่อยๆหลีแล้วก็ค่อยๆโผล่มาแบบ แปลกๆค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยมันจะเป็นไงก็เรื่องมันใช่เรื่องของเราหรอกนะน้าสารไม่แน่ใจว่าประคองไว้หน่อยหน่อยป่าประคองประคองไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจมีอะไรอย่างไรครับหลวงพ่อครับประคองไว้น่ารู้ไปนั่นแหละสารภาวนาพยายามกลมกลืนอยู่ในชีวิตธรรมดานี้นะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่แล้วรู้สึกไปเรื่อย ไม่ใช่แยกส่วนนะไม่ใช่เวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเลยให้รวมไปกิรัตเข้าท่าเว้ยแต่แตมันก็ทักสองอาทิตย์นี้มันก็เฉวยขึ้นมาดูอีกแล้วครับมันอะไรนะมันมันเฉวยขึ้นมาดูอีกนะครับเออดีแล้วเข้าท่าเชียวไม่ไม่ใครได้มาแล้วมันรู้สึกช้าๆหลวงพอ่อมมันไม่เอาอย่างกิรัตไม่ค่อยมาเหมือนกันแนละ้ว ใส่เลยสว่างรู้สึกแต่รู้สึกเล่นๆจีรัตไม่ได้ไปทําอะไรมาจิรัตไม่ได้ไปทําอะไรหรือไงทําไมใจมันตื่นอย่างนี้ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรอ๋อมันก็คือของผมปล่อยให้มันเข้าสู่ความเป็นจริงออไปเรื่อยๆนั่นแหละจริงๆการภาวนาจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละเราอยากดูของจริงเราก็ปล่อยให้กายให้ใจอยู่ในกับความจริง ไม่ใช่ไปดัดแปลงผู้ปฏิบัตินั้องไปหลงกลตรงที่ว่าพยายามไปบังคับกายบังคับใจไปแทรกแซงมันเลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เห็นไหมพอปล่อยแล้วรู้สึกไหมง่ายอยาตายเห็นมีอะไรเลยไม่มีคนด้วยซ้ำไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความสุขรู้สึกไหมมีความสุขยิงเอาให้ได้เนาะอย่าทํามากนะทํามากก็เคร่งเครียดไปเอาอาจารย์วิชา วันนี้รู้สึกทึ่งในหลวงพ่อมากๆครับตรวจการบ้านมาได้ยาวขนาดนี้โดยไม่กระเพื่อมอะไรขณะที่เรานั่งดูเฉยๆกระเพื่อมแล้วกระเพื่อมอีกตลอดเวลาแล้วมารู้ใจหลวงพ่อด้วยเหรอครับก็เลยช่วงนี้ตามไปชาร์จแบตกับหลวงพ่อสองสาครั้งแล้วก็เลยสว่างขึ้นหน่อยหนึ่งประคองบางๆแต่ว่าไม่ตรึงไม่ค่อยตรึงมัน เบาขึ้นดีแล้วใช้ได้หลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำไหมครับทำได้เรื่อยไปอย่ารีบร้อนรู้เล่นๆรู้เรื่อยเร่ยการวิชาใช้ได้รูปลดความจงใจนิดนึงนำมัสการหลวงพ่อค่ะอาทิตย์นี้จิตมีทั้งโมหะทั้งโทสะแล้วก็รู้อะค่ะแต่มันไม่หายค่ะจะ อ, อยากหายสิ ตอนนี้ตื่นเต้นกันสมมุติว่าเรามีโทสะนะแล้วเราไม่ชอบเนี่ยให้รู้ว่าไม่ชอบนะจิตฟุ้งซ่านเราไม่ชอบอีกอยากจะสงบรู้ว่าอยากนะให้รู้ทันลงปัจจุบันไปเรื่อยๆสภาวะทั้งหลายนะจะดีหรือจะเลวเนี่ยไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราไปรู้แล้วเราเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางเออนั่นให้รู้ทันที่ไม่เป็นกลางนะแล้วก็อย่าเปไม่เป็นกลางต่อความไม่เป็นกลางอีกนะมันจะซ้อนไปเรื่อยๆ แล้วที่ปฏิบัติมาก่อนๆนี้ดีไหมคะดีขึ้นอ่ะแต่บางทีมันโกรธความรู้สึกว่าเรามีทําไมมีโทสะโมหะใช่ให้รู้ไปว่าโทสะเกิดแต่แต่ตอนที่เห็นนะครับมันก็มีหายหายออกไปแล้วก็หายไม่หายไปได้ยังไงโทสะอะค่ะหายไหมมันหายไปเองเออหน้าหายไปเองแล้วก็มันกลับเข้ามาใหม่มันยังมีเหตุมันก็มามันไม่ใช่ตัวเดิมมันปรุงขึ้นมาใหม่ ที่ที่ทำอยู่ในทั้งในรูปแบบแล้วก็การดูดูจิตของเราไปเรื่อยๆก็ถือว่าดูดูได้แล้วใช่ไหมคได้ๆดูเรื่อยๆนะเอกชี้เกียรติน ะ, <_' S 1> ะไปได้อีกคนสองคนกลับมนาะมาสักการหลวงพ่อค่ะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เผลอไปบ่อยอะค่ะก็พอช่วงนี้คือมีพี่เขาชวนมาพบหลวงพ่อก<อ>็เลยกลับมาตามดูตามรู้ใหมกลัวหลวงพ่อเนาะเลยท้อ กลับมาส่งกันบ้านนะคะก็แต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีดีก็ตามดูตามดูดูเรื่อยๆนะเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอก <c oughs> ส่งไปให้เสื้อเหลืองข้างหลังเยก็คิดว่าคือรู้รู้ง่ายๆ ง, ง่ายจนไม่แน่ใจว่ารู้ถูกหรือเปล่าแล้วค่ะรู้ใช้ได้นะแต่ว่าไปประคองไว้นิดหนึ่งใจมีส่วนหนึ่งที่ทื่อๆอยู่รู้สึกไหมมีตัวที่นิ่งๆทื่อๆอยู่ ตัวนี้ยังจงใจอการรู้ของเรายังไม่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนให้รู้ทันว่าเราแอบประคองใจให้นิ่งไว้นิดหนึ่งไปทางนี้นมัสกาหลวงพ่อค่ะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยหัวใจเต้นแรง <laughs> เต้นไว้นะ่าอย่าหยุดนะ่า <laughs> ต้องไงเห็นกิเลสไหมแต่ละวัน เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเหล่หาแบบตับถูกนะตอบเป็นตร ล, ลักดี <c oughs> <c oughs> ดีแล้วดูไปค <c oughs> ่ะอะก็ยังต้องคอยตามดูค่ะไม่งั้นก็จะเผลอนา น, านสติมันยังไม่อัตโนมัติก็ต้องตั้งใจไว้หน่อยหนึ่งก่อนนะหลวงพ่อคะเคยอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบตกใจมีเหตุที่แบบตกใจมากๆเลยค่ะอพอรู้ตัวเนี้ยแบบมันก็รู้ว่าวันเผลอไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้แบบ มันตกใจมากเลยมันเหมือนแบบมันหายไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วก็ไปควานหาแบบให้รู้ว่ากําลังตกใจครั้งที่สองแล้วก็ตอนเวลาโกรธอะค่ะก็พอเวลาที่รู้สึกตัวถ้ามันตามทันอะนะคะมันก็จะหายแต่บางทีที่แบบเผลอแล้วแบบมันหลงไปความโกรธอะค่ะหลวงพ่อมันมันแรงกว่าเดิมอะค่ะอืแต่ว่ามันก็หายเร็วขึ้นเออดีแล้วรู้ไปใหญ่ที่เขาเป็นนะ เราไม่ได้ฝึกว่ามันน่าจะเป็นยังไงเราไม่สนใจความน่าจะเป็นเราดูว่าจริงๆเป็นยังไงดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังมีประคองอยู่ใช่ใช่เน้อย่างนี้สิเก่งประคองเรารู้อ้าวยมพอนาะใช้ได้เลยครับก็มาหาหลวงพ่อเมื่อสามเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็กลับไปก็รู้สึกว่าการที่จะรู้สึกตัวเนี่ยมัน เขาไม่คยเขาไม่คยสนใจนะคือแต่ก่อนเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนทันทันทีที่มีส ต, ติตื่นเนี่ยก็จะจะจะรู้สึกอยู่กับกับตัวนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีอ่นะแต่ว่าก็มี ม, มีมีภาวะที่เกิดขึ้นอยู่สามสอย่างนะฮะก็จะจะขอเร้นห่อนนิดห น, นึ่งนะครก็จะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะก็ก็จะจะเห็นว่าจิตจิตกับความคิดเนี่ยเขยาแยกเขาแยกตัวจากนน<อ>นะกันนอฮก็ มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ ก, ก็อีกสักระยะหนึ่งถัดมาเนี่ยก็มีอยู่วันเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะมีเห็นว่าตัวตัวตัวที่นอนอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวมันเป็นก้อนๆนอะไรกไม่รู้นะฮะนั่นแหละและรวมนั่งเห็นคนข้างๆด้วยนะแต่ไม่กล้าบอกเขาแต่แล้วหลังจากนั้นมาอีกอีกสักระยะหนึ่งนะ คือจะเห็นเป็นมันมันเป็นอย่างนี้เพราะมันจะเห็นตัวที่นอนอยู่เนี่ยเป็นก้อนๆนะฮะแล้วก็เห็นเหนือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นจะเป็นจะเป็นตัวความคิดเที่ยวคิดว่าไอ้ที่เนี้ยนะมันมันมันเป็นตัวตนอืมก็จะจะจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็พอดีเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะก็จะมีอไม่สบายขึ้นมานะฮะแต่แต่แต่การไม่สบายนี้เหมือนเหมือนเหมือนอาจารย์ใหญ่มาเยี่ยมนะฮะ ก็คือระหว่างที่ก็คือเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยนะก็จะมีปกติการมี็นไข้นี่ก็จะมีการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยนะก็คงจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีตแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอจิตเรามันรู้ทันหรือว่าเขาเขาฉลาดขึ้นหรือเขามีปัญญาขึ้นเลยเนี่ยนะคือจะเห็นสภาวะต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเขาก็จัดกระจายต่งคนต่าอยู่ของเขานะะแล้วก็ อาการเจ็บปวดอาการเวทนาอะไรเนี่ยเขาเขาก็อยู่ของเขาร่างอออืร่างกายเขาก็อยู่ของเขาเจิตก็อยู่ของเขาฮแต่มีความรู้ว่าอพอจะเข้าใจว่าตัวตัวที่จะมาควบคุมวงการตรงนี้เนี่ยนะก็คือตัวสติก็เลยทําให้เข้าใจว่าที่ที่ที่วิตกกังวลกันที่วิตกว่าเอ๊ะตอนจะตายจะทํำยังไงอะไรนี่รู้ละใช่นั่นแหละเป็นอย่างงั้นแหละครับ ก็คือนอนดูมันตายไหมครับก็คือณขณะนั้นเนี่ยนะ ค, คือคือความคิดปรุงแต่งอะไรนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะก็เลยทําให้เข้าใจถึงอครูบาอาจาราย์หลายๆท่านที่บอกว่าเออก็ภาวนาไปเดี๋ยวก็จะหายเจ็บเองอะไรเองแต่จริงๆมันไม่ได้หายแล้วเพียงแต่ว่าเขาอยู่ของเขาะะเออเขาอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอมาทบทวนว่าเออที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อะไรบ้างเนี่ยนะก็มามาอัน พบอันหนึ่งว่าที่พุทเจ้าบอกว่าอ่ากายกระทับกระสายแต่แต่ใจจจะิตไม่กระสับกระสายนี่เข้าใจละที่ที่ท่านบอกว่าที่บอกว่าเราไม่มีในรูปรูปไม่มีในเราเวทนาอะไรเนี้ยนะก็เข้าใจตรงนั้นนะฮะแล้วก็เคยได้ฟังที่หลวงพ่อบอกว่าอสัใจที่หลวงพ่อเข้มเขียนบอกว่าอยู่ความไม่มีไม่เป็นก็ก็คิดว่าเข้าใจตรงนั้นนี่แหละดูไปเรื่อยนะแต่อย่าขี้เกียจนะ แล้วก็อย่าให้ความคิดนําไปครับให้เรามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันจะรู้มันจะเห็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเองอย่าไปคิดนํานะก็อันอันหนึ่งที่ที่มหาหลวงพ่อหนี้ก็อยากจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติเนี่ยนะก็คือเนื่องจากว่าผมผมค่อนข้างจะจะปฏิบัติผิดผิดผิดไปจากรูปแบบของของที่คนอื่นที่ฟังฟังมาเนี่ยนะ คือผมเองนี่ไม่มีรูปแบบของการปฏิบัตินะฮะก็คือเริ่มต้นก็ที่เริ่มปฏิบัติมาประมาณปีเศษเนี่ยนะก็รู้กายรู้ใจใน<ม>ในในประจําวันไป<ม>ทีนี้จริงจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยสําหรับผมนี่จําเป็นต้องต้องมีมก็ของโยมันก็มีอยู่แล้วก็คือการที่เราคอยตามรูร้กายตามรู้ใจนั่นแหละก็เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของเราทางใครทางมันไม่ต้องเอาแบบใครหรอกตอนที่หลวงพ่อภาวนามีช่วงหนึ่งทิ้งรูปแบบไปเลย ดูจิตดูใจไปอย่างเดียวแต่ดูไปนานๆแล้วกำลังมันไม่พอครูบาอาจารย์ท่านก็ให้บริกรรมให้อะไรเพิ่มขึ้นมาก็มีรูปแบบก็คือทาสมถะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนอกนั้นยืนเดินนั่งนอนนี่อยู่ในชีวิตประจาวันนี้เลยของโยมก็สังเกตไปไหนก็แล้วกันเวลาที่เราเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน รู้ว่าฟุ้งซ่านใจก็ตั้งมั่นขึ้นอันนี้ก็แทนสมถะได้ดีภาวนาแต่ระวังอันเดียวคือความรู้ความเห็นที่เราไปรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยมันจะยั่วให้เราคนา้นคว้าพิจรารณาให้คิดต่อตรงนี้ต้องทิ้งเลยรู้เราทิ้งเลยแล้วเราก็รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันต่อไปความรู้ความเห็นเราก็จะลึกซึ้งกว้างขวางออกไปตอนนี้เราเห็นแล้วว่าขันมันกระจายออกไปขันแต่และตัวไม่ใช่เราแต่พอมารวมกันสัญญาเข้าไปหมายาปุ๊บก็เป็นเราขึ้นมาได้อีก ก็เฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้เชิญเพึ่งเริ่มปฏิบัติครับมาให้หลวงพ่อช่วยดูครับว่าที่ผ่านมาผิดถูกอย่างไรบ้างครับต้องดูของเราเองเนาะให้หลวงพ่อดูแทนเดี๋ยวหลวงพ่อบรรลุมรรคผลแทนเห็นกิเลสไหมก็เห็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างครับเรียตัวไหนเกิดบ่อยอืมราคะครับราคะเกิดราคะนี่ละเอียดนะอย่างประเดี๋ยวก็อยากดู อย่างเราได้ยินเสียงอะไรแกลกๆข้างหลังเนี่ยอยากดูแล้วรู้ว่าอยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกกระทั่งจะคิดยังอยากคิดได้เลยรู้สึกไหมจะทําอะไรใจก็มีความอยากขึ้นมาเนี่ยราคา้นละเอียดมากเลยเพราะฉนั้นจิตมีราคาขึ้นมาเราก็รู้ไปเรื่อยๆมันอยากได้เห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติอยากอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆ ฝึกอยู่ย่างเนี้ยไม่ต้องดูอันอื่นก็ได้อืมครับที่ผ่านมามันเพ่งเกินไปหรือ ว, ว่าจ้องเกินไปหรือเปล่าจ้อง<ด>แรงไ ป, ไปนิดนึงครับจ้องแรงเพราะว่าอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากเ อ, อหมอท็อคนสุดท้ายช่วงช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้สภาวะอะไรนะรแต่มันจะเห็นแค่ว่าใจมันไหลลงไปแช่อืมแล้วพอรู้ว่ามันไปแช่ก็ดึงขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้สภาวะนั้นมันคืออะไรอืแมันก็จะ สักพักมันก็ไหลลงไปแช่อีกแล้วพอมันรู้แช่ก็หายไปมันขึ้นมาเองบ้าหรือไปดึงมันขึ้นมามันขึ้นมาเองเออขึ้นมาเองไม่เป็นไรดูไปงัเลยหลวงพ่อตรวจกันบ้านให้หน่อยนี่ไงตรวจให้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเบิร์ตกับหลกเลย <c oughs> หัวยิ่งโตโตอยู่เนี่ยนีคนเนี้นะเมื่อก่อนอยู่วัดหัวโตที่สุดในวัดเลยอมาเชิญนยมกับบ้านไป